ถามว่าโอ้ยหลวงพี่ทำไมภาวนาะมันทุกข์เยอะเลยทุกข์ทรมานจังเลยท่านบอกท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์พวกเราต้องเอาอย่างภาวนาแล้วกลิ้งไปกลิ้งมากินกินนอนๆนอนๆนอนเพื่อจะเป็นพระอระหันต์ไ <c oughs> อ้กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วหันนะ่ะมีแต่หมูหันนะ <c oughs> ไม่มีหรอกพระอระหันต์มีแต่ต้องสู้เอาต้องทําเอาของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มี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 กำลังกายเอากำลังใจแลกมาทั้งนั้นเอาแต่ความสุขสบายไม่ได้กินหรอกครนะูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะถ้าเรารู้จักท่านหรือรู้ประวัติท่านท่านก็ลมลุกค ล, ลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นไม่มีหรอกง่ายๆถ้าง่า ย, ายาก็หมายถึงชาติก่อนยากมาแล้วอย่างหลวงุู่เทศนะภาวนาเดินทุดดงอะ่ะเที่ยวตามหาหลวงปู่ ม, มั่นหลวงปู่ ม, มั่นนีไปอยู่ภาคเหนือ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 วิมุตตอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นในปริยัติก็สอนไม่ตรงกันนะผู้ปฏิบัติที่ดูจิตรวดเดียวมาเลยก็มีนะอย่างในหนังสืออะไรนะ่นหยดน้ำบนใบบัวใช่เปล่าไม่รู้ของอาจารย์มหาบัวก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้ภาวนาแล้วก็อาจารย์มหาบัวไปเล่าให้พระฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็ภาวนานะถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไล่ไป พรป่าภาวนาเอาตัวรอดให้จบเลยในชีวิตนี้ไม่ต้องมาเกิดปราคนว่าผู้หญิงคนนี้ภาวนามาด้วยกันดูจิตท่านดูจิตมาตลอดอาจารย์มหาบัวท่านก็รับรองไม่เห็น ม, มีปัญหาอะไรเลยคนที่มีปัญหาเนี่พวกภาวนาไม่เป็นดงั้นการภาวนานะ่เบื้องต้นจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะอะไรก็ได้สุดท้ายก็ไปถึงธรรมันเดียวกันหมด ในคมภีร์ก็สอนอย่างนั้นนวพิธ ร, รมก็สอนอย่างนั้นบกายเวทนาจิตธรรมเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็เข้าเมืองได้ละในพระใจปิดกก็มีร่องรอยของพระที่ท่านบรรลุธรรมด้วยวิธีต่างๆกันเยอะยะอย่างพระนนทนะท่านดูกายจนยคืนสุดท้ายเลยบรรลุพระอราหาันตะ์ด้วยการดูกายพระสารีบุตรนะนั่งพัดพระพุทธเจ้าแล้วดูเวทนา บรรลุพระรู้เวทนาเห็นแจ้งในเวทนานรู้ทันเวทนาจิตเจ้พ้นความปรุงแต่งบางท่านอย่างพระนุรุตเนี่ยท่านดูจิตเนี่ยท่นดูจิตจ ต, ตัวเองนะจิตมีกิเลสอะไรขึ้นมาท่านรู้ทันนะท่านก็เป็นพระอราหันต์ขึ้นมาฉะนั้นบนรรลุไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องอันหนึ่งเบื้องปลายต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กายเวทนาจิตทำใช้ได้หมดเลยไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายไม่ใช่เบื้องปลายต้องดูแต่จิตนะ อันนั้นเป็นบางท่านเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวในแพระไตรปิฎกก็มีทุกรูปแบบในการภาวนาเนี่ยใครถนัดดูกายให้ดูกายดูกายเป็นสติจะเกิดสมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจจะเกิดวิมุตติมันก็เกิดคือหมดความยึดถือกายยึดถือใจ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 เพราะว่ามันมีแต่ผัสสะที่หยาบๆยาบรุนแรงเวลาที่จะสนใจรู้กายรู้ใจให้ต่อเนื่องจริงๆนะยากสำคัญที่ความต่อเนื่องยมขาดความต่อเนื่องแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากนะโสดาสกตาคาเนะี่ยเราดูๆของเราไปอย่างเนี้ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเร่ไปได้อยู่ได้แล้วใครอยากจะถึงที่สุดในชีวิตนี้ก็ไปบวชเอาภาวนา ไม่ไม่เหลือวิสัยนะธรรมะไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้นะต่อไปตรวจกันบ้านนี่หลวงพ่อเทศรอนะเนี่ยเรามางคนรับประทานช้าอา้าวเขาอยู่วัดเชิญส่งกันบ้านคนนอสการกับหลวงพ่อเออคือว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งนะคะแบบจริงจังแล้วก็ควบคู่กับาการฟัง มาจากครูบาอาจารย์แนวัดป่านะคะช่วงแรกก็ตามรู้กายรู้ใจไปะคะแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะหลวงพ่อแต่ที่นี้มาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้การพิจารณากายแบบ เ, เกษาโรมาแบบอัปสุภะอะคะ่ะแต่ทีนี้ออพอจะเอามาใช้เนี่ยมันยังแบบผสมกันไม่ค่อยถูกอะคะ่ะผสม <จะ S 1> ไม่ได้เกษารโรมานี่เรียกกายคตาสติ กากับตาสติเป็นการทำสมถะนะไม่ใช่วิปั ส, สนาหลวงพุทธเทศนะ์ท่านสรรชัดเลยบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นาสุภาเนี่ยทําไปเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะการคิดพิจารณาร่างกายนะเป็นธาตุเป็นขันธ์เนี่ยหรือว่าพิจารณาความตายนะก็เพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหรเราหัดรู้สภาวะได้แล้วเราก็รู้สภาวะไป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 อ่ะต่อไปกลับนมัสการครับก็วันนี้ก็ฟงซ่านน้อยลงฮะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะแล้วทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยขณะตื่นรู้สึกว่าจิตมันเหมือนกับเคลื่อนออกมาเป็นสามสามสี่ขณะก่อนตื่นไม่ทราบครับน่นถูกแล้วจิตมันขึ้นจากผวังนะมันขึ้นมาสามขณะปึ๊บปึ๊แล้วหลุดออกมาข้างนอกเห็นในผวังหรืะเห็นตั้งแต่มันยังไม่ตื่น่ะมันเคลื่อยังไม่ตื่นเออมันขึ้นมาสามจังหวะนะถูกแล้วแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะตัดสินใจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพอออกมา ขณะสุดท้ายแล้วมันจะไม่หลับมันจะตื่นออกมาเลยมันจะอ<ช>อไปเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนรับอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ท้าวันไหนจะตื่นก่อนอันไหนก็ได้ครับนะดีไปดูเอาก็ทําทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่อย่าจงใจดูก็แล้วกันนะลดความจงใจยังจงใจนิดหน่อยครับกน้ำ ม, มัสการครับผมพยายามกําหนดรู้อย่างที่ หลงพ่อได้บอกนะครับแต่หลวงพ่อใช้คําว่าตามรู้นะไม่กําหนดรู้ครับตามรู้นะรครับเออรู้สึกบางครั้งก็เครียดอยู่เหมือนกันนะครับเครียดเนี่ยพระจงใจรู้ไม่จะเครียดถ้าตรงที่รู้โดยไม่ได้จงใจจะไม่เครียดคือผมต้องต้องตามรู้ทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับหรือว่ารู้รู้บ่อยบ่อยรู้บ่อยบ่อรู้บ่อยๆ่นะมันต้องเผลอบ้างแหละรู้ทุกวันทุตลอดเวลาไม่ได้ครับดีขึ้นเยอะเลยนะอย่ากลับไปติดเพ่งอีกล่ะจะมาถามให้ติ้งนะ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 พิจารณาจิตก็ได้พิจารณากายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานแต่ถ้าจิตมันรู้กายรู้ใจได้แล้วอย่าพิคิดเอาให้ดูเอาคนละเรื่องกันนะคนละขั้นกันขอบพระคุณครับการคิดเนี่ยนะถึงจะคิดเรื่องกายเรื่องใจเป็นไตรลักษณนะ์ก็ไม่เป็นวิปัสนาในพระพิธรรมสอนไว้ชัดเลยการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอานะด้วยการเปรียบเทียบเอาเนี่สูงสุดนะได้สัมมาสัญญาณไม่ขึ้นอุท ย, ยาพิยญาณ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 เห็นมันเกิดดับเกิดดับแล้วเห็นนะแต่และดวงมีช่องว่างขั้นนะขาดอาอกจากกาันไม่ใช่ดวงเดิมจิตไม่ได้มีดวงเดียวถ้ายังเห็นจิตมีดวงเดียวทํำมิปั ส, สนาไม่เป็นหรอกโลวปูล่าภู่เจ้าก็อสอนนะสอนดีผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นวิจชาทิฏฐิสอนขนาดนี้เพไม่งั้นมันเกิดดับแล้วแล้วการเกิดดับทุกขณะจิตผมเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเคยไม่ต้องรู้ทุกขณะ ร, รู้เท่าที่รู้ได้ครับมันยังไม่ใช่ภูมิเราะค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 ไปฝึกเอานะปัญหาของแม่ชีตอนนี้ก็คือใจมันเริ่มตื่นแล้วล่ะใจมีความสุขใจเป็นกุศลแต่มันเพลินไหลเอาไปหากุศลข้างนอกมันขี้เกียจขี้คลานดวอกแมมมันจะหาแต่ความสุขใช่ค่ะออมันไม่ยอมดูกายดูใจทำงานนะไปฝึกเอาอ่าเอร์เจ็ดสิบสามเบอร์เจ็ดสิบสามว่าไง ว่าเดี๋ยวนี้มาจากสปูไทยอะค่ะได้ฟังแต่ซีดีแล้วอ่านหนังสืออะค่ะแล้วก็เลยปฏิบัติมาเรื่อยๆๆอยื่อยือยดูกายดูใจอะค่ะอะไรนะดูกายดูใจดูค่ะรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไปรู้สึกค่ะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงจริงรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาสบายก็ปฏิบัติเวลา โกรธก็รู้รู้บ้างหลงบ้างแล้วก็นิจใจก็รู้รู้บ้างหลงบ้าไปดูอีกแต่ไม่ไม่รู้ตลอดไปอะมั้งคะรู้ตลอดแล้วก็เพ่งค่ะอันนี้ต้อรู้บ้างเปลือบ้างค่ะก็จะถามท่านว่าปฏิบัติถูกต้องแถูกล้วนะเจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้ค่ะแต่ให้กันบ้านอันหนึ่งพอมันมีความสุขไปนานๆเนี้ยใจมันติดค่ะแต่มันชอบในความสุขนี้นะให้รู้ทันนะค่ะถ้ารู้ไม่ทันจะติดแล้วค่ะดี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 ต่างๆที่หนูบอกไปว่าถ้าเวลาหนูจะซึ้งหนูก็ไม่ซึ้งจะรู้สึกดีใจก็ดีใจแต่คือไม่ดีใจแบบเวอร์เกินไปค่ะก็คือหนูก็คิดว่าหนูดูกายใจตัวเองเป็นแล้วแต่คือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรียนรู้ไกายใจกับตัวหนูเองก็คือวันที่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 หนูนั่งไม่ได้แล้วต้องแบบคนอื่นแบบหนูอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่คิดว่าหนูจะนั่งนิ่งได้ค่ะเราก็นั่งนิง่งเราก็ถึงเวลานิง่งเราก็นิ่งนะถึงเวลาเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวแต่ทั้งหมดด้วยความรู้สึกตัวก็เมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าถ้านั่งสมาธิเราจะยังไงก็ต้องตะแก้งคนข้างหน้าหรือคนข้างๆให้ได้อย่าไปอย่าไปนั่งหน้าบาปอย่างนั้นอ่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็นั่งนิ่งมากขึ้นดูไปนะดูไปสบายสบาย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 ต้องไปเฝ้าโรงแรมลำบากค่ะเอร์หนึ่ร้อยหกสิบสองนมัสการครับหลวงพ่อก็ผมตอนเริ่มปฏิบัตินะครับเป็นคนที่แบบว่าชอบจ้องดูครับแบบดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบจะมีความรู้สึกอะไรอะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนเริ่มปฏิบัติเนี่ยครับเป็นคนที่แบบมีเสียงภาคในใจอะครับภาคตลอดว่ามีความรู้สึกอะไรอืมแต่ตอนเนี้ยมันมัน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 ไ่นั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างทุกวันควรจะทําก็จากนั่งสมาธิมาก่อนเนี่ยอาจจะภาวนาพุทโธนะครับจะรู้สึกเบื่อแต่เดี๋ยวเนี้ยก็ภาวนาอยู่แต่ใช้พุทโธเนี่ยเป็นตัวยึดมากนะครับแล้วเวลาเราเผลอไปเราก็รู้สึกแล้วกลับมาพุทโธเหมือนเดิมเออถูกต้องเราไม่ได้พุทโธเพื่อห้ามจิตหนีไปแต่เราพุทโธเพื่อว่าจิตหนีไปแล้วเราจะรู้ได้ไวนะครับภาวนาเก่งนะ กันบ้านเลยครับเหรอที่พ่อนายอยูใช้ได้แล้วนะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกครับการน้ำมัศคารหลวงพ่อนะครับครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วก็ที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกทำผิดสามข้อของอการดูจิตนะครับอก่อนดูระหว่างดูหลังดูสามข้อนี้หมด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 มันเกิดความรู้สึกขึ้นอย่งเงี้ครับช่วงแรกแรกคือมันจะนานกว่าเราจะรู้ตัวอย่างเงครับอืมันจะนานแต่พอมาช่วงหลังๆนี่ครับมันก็เริ่มแบบพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะความรู้สึกมันก็จะดับไปอย่างไงครับแล้วบางทีมันก็อาจจะกลับมาและบาง<อ>ครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเลยครับถูกต้องแล้วครับและอย่างบางครั้งแบบมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกเล่นกันอย่างไงนะครับแล้วเวลาแบบ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 ให้แค่รู้ทันว่าจิตยังออกนอกอยู่นะครับผมเราอยากจะขอกันบ้านลวงปนี่ไงให้กันบ้านละไป <c> um <le> รู้ทันนะใช่ว่าจิตยังไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นแต่อย่าดึงให้เข้ามา <c> um <le> ไม่ไม่ไม่ต้องดึง <c> um <le> ใช่ไหมไม่ดึงถ้าดึงแล้วผิดเลยจะดึงแล้วแน่นนะพวกเราภาวนานะถภาวนาถูกนะใจมันจะมีความสุขนะเย็ <c> um <le> ในเย็นฉ่ำฉ่ำสบายมีความสุขแผ่วแผวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าภาวนาผิดนะใจจะหนักหนักแน่นแ่นแข็งแข็งอึดอัดนะ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 นี่มันมันจะเกินขอบเขต ท, ที่เราเคยฝึกมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วล่ะไปฝึกอีกนะไป<ำ>ไปทำอีกอย่าประคองใจให้นิ่งก็แล้วกันมีประคองนิดหน่อยตอนเนี้ยดุออกไหมค่ะถ้าตื่นเต้นนี้เลยกดเอาไว้หน่อยๆน่อยค่ะอย่าไปกดมันบางครั้งเวลาอย่างอย่างฝึกก็จะรู้สึกบังคับบ้างอ่นอาดบ้าง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 สำหรับผมก็รู้สึกว่าผมดูดูกายไม่ค่อยรู้รู้ตัวเลยครับดูแต่ใจใจไปคิดนู่นก็รู้คิดนี่ก็รู้แต่ไม่ค่อยรู้ลงที่กายว่าไม่กายไไ ด, ดูใจได้ก็ใช้ได้ละนะร่างกายนะของง่ายถ้าดูจิตดูใจออกนะต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเองเละรู้สึกมากจะขยับขย่อมันรู้สึกเองอะ่ะ <c oughs> มันไม่เห็นจะต้องเลยทำอะไรพิเศษเลยงันคอรู้ทันจิตไปพวกเด็ก <c oughs> ๆภาคเพียรไว้นะ อาจารย์พจนนาอาจารย์ซุปอาจารย์ทั้งหลายนี่เขาอุตสาห์ช่วยเราเพราะให้สิ่งที่มีค่าที่สุดกับเราแล้วคือให้ธรรมะเราอะไรๆไม่มีค่าเท่านี้หรอกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นแค่เครื่องอาศัยชัวช่วครา้งชั่วคราวแต่ธรรมะนี่นะจะให้ความสุขเราไปจนถึงตายเลยตายแล้วยังต่ออีกนะภาวาต่อไปได้อีกเป็นสมบัติที่ติดตัวเราอย่างแท้จริงเลยให้อยากกะถามหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่เป็นยังไงบ้างครับที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วไปดูเรื่อยๆนะ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 ถ้าเราไปช่วยมันภาคเช่นผมคนเล็บฟันหนังไม่ดีย่างเนี้อันนี้คิดเราเองแล้ว ถ, ถ้า <Okay. S 2> จิตมันภาคไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ปฏิบัติถูกกับจริตแล้วใช่ไหมถูก<ะ><ะ>แล้วนะเหลือที่ความต่อเนื่องนะอดทนหลวงพ <า S 1> ่อ<ะ>ให้การบ้านคุณคืออดทนปฏิบัติไปนะทนชีวิตต้องอดทนเยอะเลยฝึกไปเบอร์สามสิบหกกล่าวนำ้ำ ก, การครับหลวงพ่อ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 ฝึกรู้สบายท่องไว้นะต้องสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ปฏิบัติมาส่วนมากจะค่อนข้างจะรู้สภาวะได้ยากอะไรนะเที่ปฏิบัติมาในชีวิตประจําวันจะค่อนข้างจะรู้าวะได้ยาคุณตดูกาไปนะเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยคอยรู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆในขณะเดียวกันไม่เพ่งอยู่ที่กายนะแค่รู้สึกแ่รู้สึกของคุณนถนัดที่จะไปดูกายเพราะงบางทีไปดูจิตแล้วมันนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดู ก็อะไรเพราะแต่เดิมทําสมาธิมาเยอะถ้าชาตินี้ไม่ทําชาติก่อนก็ทําังนั้นเวลามาดูจิตเนี่ยมันจะนิ่งไปดงนั้นคุณดูกายไว้ให้ดูกายใช่ไหมครับดูกายเป็นหลักนะแล้วมันจะเห็นจิตเองอ๋อครับทีนี้ในในชีวิตประจําวันในการทํางานหรือว่างๆอยู่อย่าเงี้ยจะดูยากทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่ฟังในซีดีของหลวงพ่ อ, อ, อท่องกอไก่ถึงอ้อนคู่ไว้ในใจครับจะมองเห็นชัดใช่ถือว่าเพ่งไหมครับ ท, <ำ>ท่องท่องกอไก่ถึงอ้อนคู่ครับไว้ในใจ อ, อ แล้วก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกายของอะไรได้ชัดเจนเออถ้าอย่างนั้นก็ได้อะไรก็ได้ไ ม, ไม่สําคัญหรอกสําคัญคือเราคอยรู้สึกร่างกายไม่บ่อยๆรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะท<อ>้องคานี้ไว้นะรู้สึกไม่ใช่เพ่งครับร้อยสามสิบหกยกมืออ้าร้อยสามหกกลับสมาสกรารครับหลวงพอ่อคือ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 ความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธครอบงำจิตไม่ได้เราวก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครสิ่มันจะเกิดขึ้นคืออยากจะถามพ่อช่วงนี้ยังติดล็อกอยู่ช่วงนี้ยังติดล็อกอยู่ไ่ตตะติดแต่ไม่มากแล้วนะติดนิดหน่อยอคลายออกเกือบหมดแล้วกรรมวสการครับอา้าวเด็กๆว่าไงมีใครไหมอา่ามาเบอร์บอล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 ครับแล้วแต่อย่าห อ, อการบ้านเพิ่มด้วยไปทำเอาอีกนะไปดูใจเราเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยอย่าไปจ้องเอาไว้ก่อนนะของบอล น, นี้ชอบไปจ้องไว้ก่อนระวังนิดนึง ค, ครับคครับเบอร์เจ็ดสิบสี่เขินรู้ว่าเขินออกาศมารรมส ก, การหลวงพ่อนะครับก็แต่ก่อนผมก็จะเป็นคนบ ใจร้อนฟุ้งซ่านนะใครมาว่านะนิดหน่อยก็ไม่ได่อ็จะโกรเป็นฟืนไฟเลยฮะเออธรรมดานี่ก็ <c oughs> คนเรามันขี้โมโ ห, โหะจะทําไงได้หันดูไปสินะต่อไปมันจะเย็นเองหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะพื้นฐานเดิมของหลวงพ่อนเนี่ยขี้โมโหมากเลยดุนี่เราหัดภาวนาไปเรื่อยนะใจเรามีความสุขมากขึ้นเรื่อยคนที่โมโหนะเพราะใจไม่มีความสุขหรอกถ้าใจเรามีความสุขไม่โมโหหรอก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 เผลอไปเดินเผลอไปกินข้าวงั้นเหรอเผลอไปคิดก็รู้ว่าโอ้อย่างงี้สิถึงจะใช้ได้หลบผ้ า, าออกอุตสาคค่าห์ขุดหลุมล่อนะเผลอไปดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เผลอรู้ทันกายรู้ทันใ จ, นใจอย่างนี้ใช้ได้ค่ะแล้วไงอีก็เราเห็นความเปลีป่ยนแปลงไหมก็เลยเห็นนะคะแล้วรู้สึกไหมใจเราจะสบายขึ้นดูออกไหมค่ะ<ภ>อย่าทิ้งนะ นี่เรียนชั้นไหนแล้วันนี้ป .6 ค่ะเอออย่าทิ้งนะอย่าทิ้งกรรมฐานนะดูะใจตัวเองเรื่อยๆนะค่ะอย่าให้มันลืมไประวังเดี๋ยวโตก ว, ว่า น, นี้หน่อยบางทีมันจะลืมอย่าทิ้งมันไปเบอร์46คกก่ะกราบนามัสการหลวงพ่อค่ะค่ะครั้งนี้หนูก็มาเป็นครั้งแรกนะคะ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 สงส่คัดมาแล้วใช่ไหมการเอาที่เก่งๆมาเอาต่อไปค่ะแล้วหลวงพ่อมีการบ้านอะไรให้หนูไหมคะ<น>ว่าวหนูจะปฏิบัติยังไงต่ อ, ตอเวลาหนูกวาดบ้านเวลาหนูทำงานเนี่ยนะเวลาหนูเดินหนูวิ่งเนี่ยหนูคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆน ะ, ะอย่าทิ้งร่างกายนะลู้กายบ่อยๆคอ้าวอน้นส่งการบ้านส่งยังกัดน้ำสกั กรับมามรดกหลงพ่อนะครับผมมาครั้งแรกนะครับอืมผมได้มาเข้าค่ายนี่ครั้งแรกอืเมื่อก่อนผมเป็นคนเราดูออกไหมจิตเราเปลี่ยนไปดูออกครับอเอาว่าไปหลวงพ่อต้องให้เด็กพูดก่อนไม่แย่งพูดหมดเมื่อก่อนผมเป็นคนเที่ยวเก่งมากแล้วหลวงพ่อเพืเ่อนไป็หนไอ้ไมาชวนผมไปผมก็ไปตลอดอืมแต่เดี๋ยวนี้ผมไปเข้าค่ายมากลับไปบ้านแม่ถามผมว่าอน้นกินยาอะไรมาลูก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 ชอบงุดหิดง่ายอะค่ะเป็นคนอย่างนี้แต่พอได้เข้าค่ายก็รู้สึกว่าการงุดหิดมันก็เบาลงค่ะมันสั้นลง ส, สั้นล ง, นนลงค่ะลแล้วก็ทําให้แบบเวลาไปเรียนเนี้ยค่ะชอบเผลอเผลอไปมองข้างนอกไม่ค่อยสนใจเรียนค่ะอพอกลับจากค่ายไปพอไปเรียนก็รู้สึกตั้งใจเรียนขึ้นค่ะเร<ด>ียนรู้เรื่องขึ้นดีนะสมาธิเราเยอะขึ้นเวลาเรียนเรียนง่ายขึ้นบางควรทําผิดนะอยากให้เด็กมีสมาธิแล้วพาไปเด็กนั่งสมาธิเฉย เด็กไม่มีสติไปน้อมจิตให้นิ่งนะั้นเด็กเครียดเด็กบ้าไปก็มีนะงั้นฝึกให้เด็กมีสตินะั้นแล้วสมาธิมันมีขึ้นมาเองรีอีกหน่อยก็จะเรียน<ะ>เก่งได้หรอกค่ะมีการบ้านเลยคะ่ะอย่าขี้เกียจนะนี่หลวงพ่อให้การบ้านที่สําคัญกับชีวิตของหนูแล้วน ะ, ะหออย่าขี้เกียจปฏิบัตินะค่ะโง่เฮ้งของหนูขี้เกียจปฏิบัติอ้าวตูว๋ค่ะ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 ดำรงชีวิตด้วยการใช้เหตุผลให้มากมนะอย่าดำรงชีวิตด้วยการใช้อารมณ์นะของหนูเนี่ยหลวงพ่อให้กันบ้านนะะพยายามดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลค่ะคอยรู้ทันใจของเราไปใจเราจะมีเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตอย่าเพ้อฝันอะไรง่ายๆนะใครก็จะมาคุยอะไรมาหลอกอะไรเราชวนให้เพ้อให้ฝันอย่าไปเชื่อมันนะจําไว้นะค่ะขอบคุณค่ะจะได้เอาไว้ใช้ในวันข้างหน้าอ้าวส้ม การนัมมัสการหลวงพ่อคะ่ะแบบว่าหนูมาเข้าค่ายแล้วหนูลองไปฝึกดูแบบรู้สึกว่ามันเผลอบ่อยคะ่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะเมื่อก่อนเผลอไม่บ่อยหรอกเผลอวันละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นดีเสี้ยที่ไหนล่ะเผลอบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยเผลอเนี่ยนะมันเท่ากับรู้สึกตัวบวกหนึ่งนะค่ะกันบ้านเลยค่ะกันบ้านน ะ, ะนนะเผลอให้บ่อย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 คือมันสอนให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นนะค่ะจากเดิมดื้อด้านมากพ่อแม่เอาไม่อยู่เงี้ยค่ะอหนูเปลี่ยนมากจนหลวงพ่อจําเกือบไม่ได้เลยหนูรู้สึกไหมหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะก็คือจากที่เดิมเดิมพ่อแม่เอาไม่อยู่ค่ะว่าอะไรก็ไม่ฟังเงี้ยค่ะอืมก็เหมือนตอนนี้เราว่าพ่อแม่ฟังเราละดีนะหนูที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้เลยละค่ะ ชีวิตดูเปรี่ยนแล้วชีวิตมันมีความสุขนะแต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่ความสุขนี้หรอกนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เอาสิ่งที่ดีวบบนี้อีกเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปนะความสุขเป็นของแถมเท่านั้นเองเนะพราะเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งปล่อยวางพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลย